มันก็ไม่ใช่อื่นไกอะไรเราแสดงความนับถือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่การนับถือก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือว่าเราต้องแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางคิดใจให้ตนเองก็รู้และผู้อื่นก็รู้ว่าตนนับถือพุทธศาสนาจริง มันมีสั ญ, ญลักษ์บอกอยู่คนผู้นับถือปราศาสนานั้นมีกายก็อ่อนโยนอ่อนน้อมทอมตอนนี่ไม่ถือเนื้อถือตัวการกล่าววาจาอันใดก็เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานไม่หยาบคายร้กาศ แล้วก็ชอบกล่าวแต่วาจาที่จริงมีเหตุมีผลถ้าเรื่องใดไม่จริงแล้วไม่เอามาพูดเลยเราก็ไม่พูดสอดเสียดยุโยงให้ใครแตกเล่าสามัคคีกันอันโมนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้นับถือพระศาสนา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 นี่แสดงว่าพระองค์ทรงเปล่งอุทานอันนี้ออกมาในตอนที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆ น, น, นั่นแะนั่นแหละพระพุทธพจน์นี้จึงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งด้วยพระปรีชาญาณโดยแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานออกนั้นอย่างว่านี้ออกมา หรือหมายควาว่าคนเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้นก็เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะเอ๋งองกันข้ามถ้าว่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแ ล, นแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยการเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็เท่ากับ ว, ว่าเบียดเบียนตนนั้นเองนะเพราะว่า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 อย่างนี้หรือว่าอยากให้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้ตนมีลาบมียศมีสรรเสริญเยนยอมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยที่บัดอันตรายต่างๆหมู่นี้นะเอาอธิษฐานอ้อนวอนขอให้คุณพระรัตนกไายนี้ช่วยให้ได้สิ่งที่ต้องประสงค์เหล่านี้ มีแต่เพียงแค่อ้อนวอนกราบไหว้เท่านั้นไม่ไหวเพราะคุณทั้งสามนี่จะช่วยผู้นั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อผู้นั้นแหละลงมือกระทำตามเช่นอย่างว่าทรงสั่งสอนให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มจุรามีลายเครื่องดองของเมาทุกชนิดอย่างนี้เราก็ละเว้นตามเลยอ่ะ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 บุคคลสามารถที่จะเสวงหาการงานต่างๆซึ่งไม่ขัดต่อศีลต่อธรรมเหล่านี้ได้อยู่ทําไมจะไม่ได้นะ <c oughs> เช่นยกตัวอย่างการทําสวนทํานาเโมนี่ทําการค้าขายโมนี่ถ้าหากว่าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรมันทําไปได้อยู่นี่ออทําได้อยู่บุคคลผู้มีศีลก็ดี ทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ทำการค้าขายก็ได้ทำราชการงานเมืองก็ได้หรือเป็นช่างก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ห, นะหมูอนี้นะมันทาได้แท่นั้นลนะผู้มีสินเน่ะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปทรงบัญญัติห้ามแต่ผู้รักษาศีลแล้วห้ามไม่ให้ทำนาทำสวนไม่ให้ทำการค้าขาย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 แต่ว่าคนเรานั้นไม่คิดไม่วิจาร์คําสอนของพระเจ้าให้ถี่ถ่วนนะเลยพอได้ฟังได้ยินพุทธบัญญัติท้ามอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท้อใจเลยไม่สนใจคําสอนเลยอะไม่น้อมเอามาวินิจฉัยเลยที่พระ อ, องค์ทรงห้ามอย่างนั้นแล้วก็ทรงเ น, น้นําให้ทําอย่างนี้ อย่างนีนะ้เราสามารถทำตามได้ไหมมีช่องทางใดบ้างอย่างนี้เมื่อมาน้อกเข้ามาพี่นะมันก็ต้องมองเห็นช่องทางได้เลยเ<อ>แต่ว่าการที่บุคคลจะเว้นจากคุทธบปัญญัติได้ก็ดีทำตามข้อที่ทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำได้นั่นก็ต้องเป็นผู้ทำตนให้เป็นคนมากน้อยสันโดษ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 หากว่าหาเอาโดยทางสุดจริตไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องวางแผนหาเอาในทางทุจริตไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมันความอยากมันท่วมทนจิตใจมากนี่หาเอาในทางสุดจริตนี่มันไม่ได้ทันความอยากความปาถนามันก็เลยคิดวางแผนไปกี้ไปปล้นไปหลอกลวงช่อโกงต้มตุนเอาสมบัติของผู้อื่นมาได้อย่างง่ายง่ายอย่างนี้นะ ดังฉันการชอบโกงหลอกลวงตามนี้ก็จัดเข้าในสิกขาบทข้อที่สองคืออธินาทานนั่นเอง <c oughs> ได้ถือว่าเป็นผู้ล่วงเกินสิกขาบทข้อที่สองนั้นอันนี้ลหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการศึกษาสำเนียกให้ดีการนับถือพระพุทธศาสนานี ถ้าบุคคลมาซ้ำเนียกให้ดีแล้วอย่างนี้เนะี่ยก็จะเห็นลูเห็นทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไอเราทำตัวเป็นคนมากน้อยสันโดษอย่างนี้นะ่ะมันแสนสบายเลยอะมากน้อยนั้นหมายความว่าต้องการอยากจะให้กิเลสบาปประรมในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อย ทำอย่างไรกิเลสบาปประทนี่มันจะน้อยเ่าบางเราก็พยายามประกอบความเพียรทางจิตใจเข้าไปละมันเข้าไปอที่มันจะน้อยลงไปได้ก็เพราะเราเพียรล่ามันไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยแต่คนส่วนมากไม่ได้เพียรล่ากิเลสนะบาปประทเหมือนกันนต่ตนทําตนลุ่มหลงทําบาปมาแล้วอย่างนี้ก็ช่างมัน่น อ, อ๋บาปก็บาปไปออทํายังไงมันจําเป็นเนี่ย คนส่วนมากคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะละบาปนั้นเลยเมื่อเป็นช่ น, นีจะไม่ให้บาบนั้นมันตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารอย่างไรเล่านันคิดดูให้ดีไอ้พวกที่บาปอาคุศสนาตานที่ทนรุ่มหลงกระทำมานั่น่ะ จกไม่ติดสอยห้อยตามให้เป็นทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปนั้นก็เพราะผู้ใดมารู้ตัวแล้วอย่างนี้เห็นโทษของบาปนั้นชัดๆแล้วอธิษฐานใจเว้นหรือสมมานว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้นะและบาปที่ได้ทำร่วงร่ำมาแล้วนั้นก็ยอมรับว่าเป็นบาปจริงเพราะยังไม่รู้ตอนนั้นน่ะ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 มันจะติดสอยห้อยตามอยู่งั้นแหละเมื่อหากว่าบุญเก่าที่ตนได้ทํามาแต่ชาติก่อนนั้นหมดลงเมื่อใดแล้วบ่อนี่บาปใหม่บาปกรรมันที่ตนทำเอาใหม่นี้ก็มีโอกาสให้ผลสืบต่ อ, ตอเลยอ ะ, อะนั่นแหละก็หมายความว่าเมื่อบุคคลหมดบุญแล้วก็ตายพอจิตวิญญาณออกจากร่างนี้บาปอากุศลที่ตนดามามันก็รองรับเอาไปเลยอะ มันเป็นอย่างนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะอพระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแขงตลอดจริงๆเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องท่อหมูดเนีย่ย เ, เมื่อพระองค์ไม่รู้แจ้งเรื่องหมดนี่แหละพระองค์ไม่สามารถที่จะละอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เลยพระองค์ก็ละตั้งแต่ต้นนี่แหละไปก่อนละตั้งแต่บาปอาคุทน์ต่างๆไปเรืเอ่อยออจนว่า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 บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเลยอะ่ะก็นั้นแหละเรื่องกิเลสบาปธรรมอะ่ะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปได้ง่ายๆเมื่อไรอะ่ะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีแทยนะก่อนตัดสโลสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็ยังได้เผชิญกับกิเลสบาปธรรมเหล่านี้นะเพราะคำว่ามาร น, นั่นก็คือบาปนั่นเองเนี่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 พอจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาไอ้ใจของผู้นั้นก็มีแล้วนี่แสดงออกมาแล้วแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาแล้วตั้งแต่เป็นเด็กเท่นะจะเป็นเด็กเป็นเล็กน่ะใครทำอะไรไม่ชอบใจแล้วก็โกรธร้องไห้ทำอะไรเพื่อไม่ได้นะ่ะเอาร้องไห้เข้ามาเป็นประมาณเอ้าถ้าเด็กคนไหนมันพูดได้แล้วอย่างี้มกดาแช่งอะไรไปนะสังเกตดูสิ นั่นแหละกิเลสมันติดตามมาทั้งแต่ชาต ก, ก่อนนู่นออมันติดตามดวงกิั้นมาพอมันเกิดเป็นคนมาพอพูดได้เท่านั้นแหละมันแสดงบทบาทออกมาเลยอันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ่ะผูท้ที่ท่านพี่ยานาเห็นทำอันลึกซึ่งท่านจึงเบื่อนาย ในการเกิดแก่เจ็บตายในว่าตาสงสารนี้น่ะเพราะว่าบางชาติมันก็ลงไปทําบาปทํากรรมอและบาปกรรมนั้นมันก็นําไปสู่ทุกขติภูมิใดภูมิหนึง่งถ้าบาปหนักก็ไปนรกถ้าบาปเบาก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์ดิเรกชันบ้างนี่แหละ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 มันจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ไม่ได้ก่อนก็ต้องไปถอยผลของบาปเสียก่อนและเมื่อบาปกรรมนั้นหมดอายุมันลงเมื่อใดบุญที่ตนทำมานั้นมันก็ให้ผลสืบต่อเมื่อนั้นแหละถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกสแสดงว่าบุญที่บุคคลกระทำนี่มันก็ไม่สูญหาย ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นทำบาปมากกว่ากุศลบุจะไปเสวยผลของบาปนั้นก่อนแต่บุญมันก็รอคอยอยู่นั่นแหละ ต, ต่อเมื่อหมดอายุของบาปแล้วบุญนั้นจึงได้ให้ผลสืบต่อไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสโดวยว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำบุญกุศลเสียเลยแล้วทำแต่บาปอย่างนี้นะ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 ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอภุต t กาเรษฐีที่เคยแสดงให้ฟังมาบ่อยๆมีสมบัติตั้งสี่สิบกฎแล้วตนีเหนียวนน่นไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยเกิดมาในพบพระพุทธเจ้าแท้ๆอยู่โทมเมืองสาวัตถีนั่นแหละไม่ได้ทำบุญนำทานอะไรเลยอันนี้บุญกุศลที่ ตกแต่งให้เป็นเศรษฐีมาแล้วตั้งเกียรติชาตินั้นหมดลงในชาตินั้นเลยแล้วในชาติปัจจุบันนั้นก็ไม่ได้ทาบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวพอตายแล้วก็ไปตกมาหาโลหะนระกนู่นพระเจ้าประเรสริฐกรสลเสด็จไปทูลถามพระองค์สาเหตุเรื่องนี้มันจะปรากฏนะองค์เจ้าสรัตว่าอรุทธกาเศรษฐีนี่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 เมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบอย่างนี้แล้วอย่าพากันนิ้งหนใจกระชงได้ไว้พระภาวนาฝึกือกิจใจของตนให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระตรนากราเก่วสามประการนี้ว่าถือเอาว่าเป็นที่พึ่งเหนินประเสริฐจริงๆแหละฝพืก่อกิจใจนี้ให้มันทำความพอใจในบุญกุศลที่ต้องกระทำบำเพ็ญมา นับแต่การให้ทานการรักษาศีลการกราบการไหว้การภาวนาทําใจให้สงบระงับลงไปหมู่นี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยเรามาทําความชื่นชมยินดีในความดีที่เรากระทามานี่เพ่งอยู่ภายในนั้นจนว่าใจมันสงบลงไปอด้วยอํานาจแห่งบุญคุณนี่แหละเมื่อเราเพ่ง